8ปดสหธรรมมิกะรวั6อมโมละกะัสิกขาบทว่าด้วยการใส่ความด้วยอบัตสังฆาทิเศษที่ไม่มีมูลเรื่องพระชัพพคี 459. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสูจฉัพพคีใส่ความพิสูจต้องอบัตสังฆาธิเศษไม่มีมูล บรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามพลธนาว่าฉนัยภิกษุชัพบคีจึงใส่ความภิกษุด้วยอบัตสังฆาทิเศตไม่มีมูลเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนีผู้ภิกษุชัพบคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ